ยาซีเรียเรื่องวิธีเอาชนะคนปากมาก hmm. ที่ซ่องโจรแห่งหนึ่งพวกแกมีธุระอะไรรีบว่า ม, มา นายโจรทักทายด้วยเสียงอันห้าวพลางจ้องสายตาไปที่ใบหน้าของผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะสุราบาลซึ่งขอเข้าไปพบเขานายจรพวกข้าเป็นนักดื่มเจ้าสำราญและเราเชอะค้นคว้าเกี่ยวกับปรชัชญาหัวหน้าคณะสุราบาลกล่าวขึ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าพวกโจรอย่างข้า ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับนักปรชัชญานอกจากการกินเหล้าแล้วก็ปล่นข่าดตามแบบฉบับของโจรเท่านั้นแต่เหล่านี้มีข้อสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับข่าวหรือโถ่เอ้ยเพื่อนยาทางใครๆเดินทำไมอยู่ดีๆไม่ชอบเกิดมาสงสัยเรื่องโจรคนชะตาขาดมักจะอย่างนี้เสมอ จอมโจรรู้สึกไม่พอใจนิดๆไหนแกลองว่ามาสิสงสัยอย่างไงเปล่านะเวลานี้พวกเรากาลังค้นคว้าดูว่าในโลกนี้ใครเป็นคนที่หน่ากลัวที่สุดทีแรกเราลงความเห็นกันว่าคนที่หน่ากลัวที่สุดคือพระเจ้าแผ่นดินเพราะพระเจ้าแผ่นดิน เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งพระราชอาญาหากผู้ใดไปกระทําล่วงเกินเข้าอาจต้องโทษถึงประหารชีวิตแล้วยังไงแต่ครั้นัวเราไปเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวได้กราบทูล ถ, ถามถึงเรื่องนี้ความกลับไม่เป็นไปตามที่ขาดหม้พระเจ้าแผ่นดินรับสั่งว่ายอย่างไรพระองค์ตรัสว่า พระเจ้าแผ่นดินทั้งปวงกลัวคนอยู่พวกหนึ่งคือนักรบทรงอธิบายว่าพวกนักรบคือคนหมู่มากที่มีอาวุธอยู่ในมือหากนักรบไม่มีวินัยเสียแล้วราชสมบัติก็อาจตกไปเป็นของผู้อื่นได้ง่ายก็ถูกแล้วนี่แล้วยังไงต่อไป นายโจนชักสนใจกับการค้นคว้าของคณะสุราบานจากนั้นพวกเราได้ไปหาท่านแม่ทัพซึ่งเป็นหัวหน้านักรบได้ถามท่านว่าท่านเป็นถึงแม่ทัพมีกำลังนักรบอยู่ในมือใครๆเขาก็กลัวอยากสราบพวกนักรบเองยังรู้สึกกลัวใครอยู่หรือไม่ แล้วแม่ทัพเขาว่าอย่างไรแม่ทัพ บ, บอกว่าในเชิงรบตามแบบของทหารแล้วท่านไม่กลัวใครเพราะทหารเป็นคนสละแล้วแม้กระทั่งชีวิตและการรบตามชั้นเชิงของทหารนั้นเรารบกันภายในเขตยุทธวิไนแต่มีคนอยู่พวกหนึ่งซึ่งทหารรู้สึกหวั่นเกรงคือพวกโจร เพราะพวกโจรเป็นนักสู้ที่ไม่มีวินยัยชอบทำร้ายลับหลังจึงอยากแก่การปราบรามยิ่งกว่ากองทหารข่าซึกอ้แน่ละสิก็เพราะเราชอบใช้อาวุธแต่ไม่ชอบรักษาวินัยนี่แหละเขาจึงเรียกว่าโจรแล้วเมื่อข่าเป็นโจรมันเกี่ยวอะไรกับพวกแกนั่นนะมันเรื่องของขา่าชากรนในโจร ที่พวกเรามาหาท่านวันนี้อยากจะขอความรู้นิดเดียวว่าท่านเป็นถึงนายโจรอย่างนี้แล้วเขาทษเธอยังรู้สึกกลัวใครอยู่อีกหรือเปล่าเรื่องสู้กับคนแล้วข้าไม่เคยถอยเดี๋ยวนี้ก็ยังได้คืนกลัวคนมันก็ไม่ใช่โจรสิว่หมายความว่าบนพื้นพิภพนี้นายโจรไม่กลัวใครเลยกระนั้นหรือ ถูกแล้วแตออ่ประเดี๋ยวก่อนคนที่คากลัวก็ยังมีอยู่เหมือนกันคนพูดนั้นคือเมียของขคาเองเมียเมียของในโจรเองนาะรึถูกแล้วแกคงเก่งในเชิงดาบแล้วก็แม่นปืนด้วยสินะเก่งเก่งอะไรกันที่คากลัวเพราะแกเป็นคนปากมากที่บน โจรอย่างเราไม่เคยกลัวคนถืออาวุธแต่เรากลัวคนปากมากคณะสุราบานยังมีความสงสัยอยู่ว่าเมื่อกษัตริ์กลัวนักรบนักรบกลัวโจรและโจรก็ยังกลัวคนปากมากแล้วคนปากมากจะยังกลัวใครอยู่อีกหรือไม่จึงไปหานางเมียโจรและถามว่าคุณนะ นายโจรแกเป็นคนกักขละและกล้าหาญออกอย่างนั้นแต่แกก็ยังกลัวคุณนเพราะเหตุที่เป็นคนปากมาขี้บนขี้ด่าลงได้ว่าใครแล้วยุติไม่ลงจนแม้แต่นายโจรยังกลัวพวกชันขอถามหน่อยเธอว่าคนปากอย่างคุณนาเนี่ยยังรู้สึกเกรงกลัวใครอีกบ้างหรือเปล่า ไอเรื่องประทะคารมกันแล้วฉันน่ะไม่เคยกลัวใครเลยใครแหลมเข้ามาสิแม่จะตอกให้หน้าหงายเฉียวถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าคนกล้าที่สุดในโลกก็คือคนปากมากนี่เองก็ไม่เชิงคนปากมากทุกรายจะกลัวคนนิ่งอ้าวจริ ง, รงบอกไม่เชื่อ คนขี้บ่นจู้จี้นั้นอีกฝ่ายหนึ่งพยายามโต้อตอบเท่าไรยิ่งได้ใจถ่อยคําที่ฝ่ายหนึ่งโต้อตอบนั้นไม่ผิดอะไรกับเอาพัดพัดเตายิ่งพัดก็ยิ่งโลลงแต่ทุกคนปากมากไปเจอคนนิ่งเข้าจะรู้สึกหน่อยเหงางนงงอย่างบอกไม่ถูกว่าเท่าไรก็ไม่รู้จักตอบบางรายถึงกับตะโกนออกมาเฉยๆว่า พูดมาสิเนี่ยยังไม่พูดอีกอย่างนี้ก็มีพวกสุราบาลจำเป็นต้องเตรเข้าวัดไปถามพระอาจารย์กรรมฐานดูว่าพระคุณเจ้าบำเพ็ญตัวเป็นคนนิ่งอยากทราบว่าคนนิ่งนั้นยังกลัวผู้ใดยอยู่บ้างหรือก็ได้รับคำตอบว่าคนนิ่งไม่จำเป็นต้องกลัวใคร การนิ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากสำหรับคนขี้บน่นเพราะฉะนั้นคนขี้บ่นทุกคนจึงกลัวคนนิ่งจําไว้เถอะการนิ่งเป็นทางลัดไปสู่ความสงบเป็นวิธีเอาชนะมรสุมปากของคนได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นหากท่านเองตกอยู่ในมรสุมปากของคนแล้ว อย่าลืมเสกคาถาสายกุญแจปากของเราคืนนึกในใจว่าตัดสมาตนุนีเรานิ่งดีกว่า